พระบัญญัติหนึ่งพันีสิบเจ็ดก็ภิกษุณีใดจำพรสาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุต้องอาวาดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายารูป